วันนี้เราได้มุนหลวงพอ่อเทียนมาสอบอารมณ์ให้ก็คงจะได้เห็นว่าวิธีการสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไม่ได้นั่งพูดให้ฟังเฉยๆมีวิธีใดที่เราจะทำให้เราเข้าใจในความหมายที่ศีท่านต้องการท่านจะทำทุกอย่างโดยเฉพาะ ใช้อุปกรณ์รอบๆตัวซึ่งก็อานได้ยากะนะฮีส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เราไปหาท่านก็นจะพูดให้ฟังเสร็จแล้วคุณจะเข้าใจยังไงก็เป็นเรื่องของคุณนะแต่หลวงพ่อทหนจี้ให้เข้าใจว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวมันแก้ไขปัญหาอะไรได้ไแล้วก็ทำอย่างไรให้มันรู้สึกเราจะเห็นในเวลาท่านจะลุกใช่ไ ท่านขยับเครื่นิดงแล้วลุกขึ้นแล้วก็นั่ง แ, แสดงใ ห, <c oughs> ให้เห็นใย่ชัดคือท่านจะไม่ได้พูดถึงเรื่องาธาตุขันอยต น, นะอะไรมากมาย่านได้พูดถึงการกระทาให้รู้สึกอันนี้คือเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็ท่านจะใช้ภาษาพื้นพื้นธรรมดาที่เราพูดกันนี่แหละนะ โดยที่หลักการของท่านก็คือบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสหลักการท่านห้ายอย่างบอกให้รู้ก่อนก็ทำอะไรได้อะไรแล้วท่ทานเน้นย้ำอยู่เสมอว่าท้าทายนะให้พิสูจน์คนไหนมีเงินเดือนเท่าที่ปฏิบัติแล้วสามเดือนทํามได้จะจ่ายให้หมดัด อันนี้ท่านจะเน้นอยูงเสมอถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเลยนะถ้าทำแบบนี้ทำไม่รู้อะไรเลยนะแต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องช่วยกันทำงานต่อไปจะเน้นอย่างนี้นเสมอซึ่งก็บางคนก็รับคำท้าไม่ถึงสามเดือนสักคนนะที่ท้าคองท่านแค่เดือนเดียวก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรเอาบางคนยกเงินเดือนให้หลวงพ่อเนะี่ยอย่างคุณสุพลเมื่อกี้คนสุดท้ายเนี่ย รับคําท้าหลวงพ่อไปเก็บอารมณ์ได้เอาสามเดือนถ้าบอกขอเดือนละแสนนะกันถ้าหาสามเดือนไม่รู้ผมเอาหลวงพ่อสามแสนแนั่นมแต่ถ้าผมรู้อะไรก่อนผมยกให้เลยสามแ 0,000 นน้องอันในที่สุดแล้วก็กยกรู้ไม่นานแค่สิบ้าวันก็รู้ยกเงิน0 0 0แสนตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเทียนขึ้นมาคุณสุพลเมื่อกี้ตั้งมูลนิธิให้เลย ที่เราเรียกวุณิธิของเทียนอย่างทุกวันมาจากคนคนี้คุณสุพลนี่แหละนั้นเองเราจะเห็นว่าเราทำกับสิ่งที่ที่สัมผัสได้ทำกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำกับสิ่งที่ไม่มีนะแต่เพียงแต่ให้เราแยกให้ออกเห็นให้ชัดว่าอะไรเป็นความรู้สึกตัวที่แท้จริงอะไรเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชตาตญาณ อะไรเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นสติปัญญาอะไรเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นเวทนาเนี่ยให้เห็นตอนนี้แยกให้ชัดๆแต่คนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันแยกไม่ชัดมันก็รวมเหมากันหมดมันก็เลยเอาไปใช้ไม่ถูกนะอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็นสติอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็น ตัวเวทนาเนี่ยแยกม่ออกอความรู้สึกตัวล้วนๆกับความรู้สึกตัวที่เป็นเราเป็นของเราเป็นอย่างไรตัวเนี้ยเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ทดสอบทดสอบว่าเราเข้าใจในคาคำนั้นจริงไหมสมมติท่านบอกว่าไปหยิบอันนั้นมาทีนึงไปหยิบแ ป, ปะปับไปหยิบมาได้ถามว่าเขาเข้าใจเข้าใจไปหยิบของมาถูก จะถามว่าเขามีสติที่ถูกต้องไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในขณะที่ไปไม่รู้สึกตัวเลยนะตอบสนองทันทีนี่เขาเรียกสติสัญชาติยานคิดไหมเพราะว่าพอกระทบ ป, ป, ป, ป, ป้อก็ตอบสนองทันทีนี่สัญชาติยานแต่ถ้าหากว่าบอกอคอ้นมาเขาก็เริ่มจตะความรู้สึกตัวก็รู้จักวิธีลุกวิธีโยกตัววิธียืน่นมือออกไปวิธีจับเข้ามารู้ขบวนการการเคลื่อนไหวนั้นตลอด อันนี้เป็นสติที่เป็นสัมมาถสติซึ่งอาจารย์ต่างๆก็สอนเรื่องสัมมาถสติเรื่องสติปัฏฐานเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แยกให้เห็นว่าอันไหนเป็นสติปัฏฐานอันไหนเป็นสติสัญชาติยานอันไหนเป็นตัวเวทนาไม่ได้แยกให้เห็นชัดอย่างนี้นะเราก็เลยมั่วๆไปอย่างนั้นปฏิบัติเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้รู้เหมือนกันนะรู้แบบฟังฟๆเพราะรู้แบบ รู้แบบจำๆฟางๆแต่ไม่รู้ชัดลงไปว่าอะไรเป็นอะไรนะดังนั้นตรงนี้สำคัญดยการที่แน่นสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะดึงอุปกรณ์ที่เห็นเฉพาะหน้ามาแสดงท่านไม่ได้เอาเพียงแต่คำพูดมานะท่านจะแสดงเห็นถึงลักษณะอาการของสิ่งสิ่งนั้นนี่เขาเรียกว่ารู้ แจ้งในปัจจุบันเพราจิตนั้นไม่ได้ไปสั้สายออกนอกตัวแต่มองเห็นปัจจุบั น, น, นสว่างสวัยว่าอะไรคนจะเป็นอย่างไรนี่เขาเรารู้ตื่นเบิกบานดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะว่าเป็นอัศจรรย์ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่อัศจรรย์ก็ไม่ใช่เพราะมันมีอยู่แต่เราคาดไม่ถึงเท่านั้นน่ะอย่างสมมุติว่าเราเดินเนี่ย กิเลสอาการเดินของเราเดินมาร้อยวันพันปีมันก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสติปัญญาอะไรเพราะการที่เรารู้จักเดินเพื่อตอบสนองความอยากตอบสนองกิเลสนั้นมันก็ไม่ได้เกิดเป็นกําลังของสติขึ้นมาแต่เมื่อเรามารู้จักการเดินแบบสติปัญสีแล้วเดินแบบตั้งใจเดินแบบรู้ตัวเดินแบบเห็นการเดินของตัวเดินแบบมีผู้ รู้การเดินนะมันก็เลยการเดินก็แตกต่างแตกต่างทําให้เกิดความรู้เกิดความรู้ขึ้นมารู้สึกตัวในการเดินหรือเรล้างถ้วยล้างจานล้างกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็มาเห็นว่ามันจะเกิดว่าจะเข้าไปอาการที่เราล้างเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้วยแต่ชามที่สะอาดแต่ไม่ได้สติ ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาอะไรเลยแต่พ อ, อท่านมาเ น, น้นเกี่รื่องสติปัฏฐานสี่เราก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างถ้วยชามก็สะอาดเรียบร้อยในขณะเดียวกันจิตใจเราล้างจิตใจไปด้วยไม่ได้ล้างถ้วยอย่างเดียวล้างใจไปด้วยนั้นก็คือว่าในขณะที่เราล้างเนี่ยไม่ให้อวิชชาตหาวดทานมาเกาะเกี่ยวจิตใจได้ก็ชาระจิตไปด้วยชําระจานไปด้วยเห็นไหม จิตของเราก็สะอาดบริสุทธิ์เราก็สามารถสัมผัสได้ว่าจิตสะอาดเป็นอย่างไรจิตของเรามันมีความสว่างสวยมั่นคงแล้วก็มีความไม่ลังเลไม่สงสัยนะฮะในการทำมีความปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีวิตกกังวลไม่มีคิดล่วงหน้าไม่มีคิดขาดคะแนนไปข้างหลังอดีตก็ไม่ กำหนดอนาคตก็ไม่ได้มาคำหนึง่งเฝ้าแต่ดึงความรู้สึกตัวให้ชัดอยู่ปัจจุบันเสมอนี่เป็นสติซึ่งจุดนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลท่านก็เน้นแต่เรื่องนี้แหละพอมาเน้นเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเรื่องมันก็จบโดยที่ไม่ต้องมีทฤษฎีปริยัตอะไรมากมายนะทำลงไปพอทำแล้วก็เป็นเรื่องปกติเลยคนสมัยนั้นการเจริญสตินี่เป็นเรื่องปกติ วันๆหนึเขาจะถามกันวันนี้เป็นยังไงจเจริญสติประทานบทไหนแล้วก็รู้สึกเป็นอย่างไรสุขเป็นยังไรทุกข์เป็นยังไงเขาเขาจะถามแต่คุณสมัยถามกันด้วยยังไงวันนี้หุ้นขึ้นเท่าไหร่ <c oughs> ตัวไหนมาก่อนแล้วตัวไหนมันลดถามไปนู่นะตลอดเวลาเนมีโลหิตจิตของเราข้องําตลอดแต่สมัยนั้นเขาจะถามวันนี้เป็นไงใจคุณคิดกี่เรื่อง เรื่องหนึ่งคุณคิดกี่นาทนะีเรื่องไหนที่มันทําให้ใจรู้คิดมากแล้วคุณได้เจริญสติมากี่มากน้อยวันเนี้ยก็จะถามกันอย่างนี้แหละถามเพื่อการดับทุกข์ดับปัญหาอืงั้นเองอันนี้วิถีชีวิตทําให้คนเราเจริญด้วยตัณหาก็มีเจริญด้วยปัญญาก็มีนะแล้วแต่ว่าในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ในสานักปฏิบัติจงอยญกเขาจะถามกันแบบนี้เป็นอารมณ์เป็นยังไงเศร้าห ม, มองหรือผ่องใสแสบสายหรือนิ่งสงบเขาจะถามอามันแสบสายเพราะอะไรล่ะเพราะขาดสติใช่ไหมอ่าทำไมประมาทล่ะ เ, เขาจะบอกกันทันทีความคิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทำไมคุณเสียเวลาไปกับความคิดอ่าทำไมไม่เอาความรู้สึกตัวจะบอกกันน้นแต่เรื่องเนี้ย ทีนี้เราก็เริ่มกลับมาหาตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นในที่สุดเราก็เห็นตัวเองแล้วว่าดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วสามารถปลูกคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในตัวเองได้ตามต้องการนะชีวิตของเรามันก็เลยมีมีความมั่นคง มีความปลอดโปร่งไม่มีความเหงาไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความวิตกกังวลอะไรเข้ามาเกี่ยวพันเลยมีแต่ความมั่นใจมีแต่ความเบิกบานนี่เขาเรียกว่าเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะเราเทียนฉันบอกว่าในประเทศไทยของเราชื่อว่าเป็นคนไทยแต่ว่าไทยตามสมนุกนุ้กวไม่ได้ไทยตามชื่อไทยแปลว่าเป็นผู้อิสระ ไทยไปลว่าผู้เป็นใหญ่ในตัวเองแต่ส่ว น, นใหญ่เราเป็นธาตุคนไทยเราเป็นธาตุธาตุของความคิดธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเพราะะนั้นท่านจะเน้นเรื่องนี้บ่อยนั้นเองเราจะทำองไรที่จะพยายามความจริงเราชื่อเดิมเราชื่อว่าประเทศสยามใช่ไสยามสยามแปลว่าอะไรสยังแปลว่าตัวเองอ คือผู้ที่พึ่งตัวเองเรียกว่าสยามเราต่อไปเราไม่พึ่งตัวเองเราบอกเป็นไทยดีกว่าเป็นใหญ่ดีกว่าไม่เคยต่างคนต่างใหญ่ไดปเห็นกันเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คนนั้นก็อยากใหญ่คนนี้ก็อยากใหญ่ใหญ่ไปใหญ่มาไปไงได้ลบกันใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนเป็นเทพเป็นไทยแลนด์นี่เราโอ้ยุ่งนาดูเป็นดินแดนทุกคนอยากใหญ่แต่เมื่อก่อนเป็นสยามนะ แล้วมาเปลี่ยนปีไหนดูไหมเปลี่ยนจากประเทศไทยก็แค่สยามมาเป็นประเทศไทยปีไหนสมัยใครสมัยจอมพลปอหรือเปล่าใครเรียนไปวาแต่ ว, ว่าจอมพลปอเนาะไม่แน่ใจบอกว่าสยามไปว่าประเทศที่พึ่งตนเองนะฉะนั้นเองก็อยากจะให้เราเข้าใจรู้รากเดิมของเราว่าเราเป็นผู้ที่พึ่งตนเองมาก่อน อาศัยพุทธศาสนาทีนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความรู้ดั้งเดิมนะมเรียกเป็น original, ออริจินัลไมค์คือจิตดั้งเดิมเดิมแท้เนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือจิตเดิมแท้ของเราทีนี้พอเราไม่มีปัญญาเข้าไปบริหารจิตเดิมแท้นี้ก็เลยเข้าไปถูก อคารตัวกากิเลสเข้าไปทําให้จิตเติ่ยมของเรานี้เศร้าหมองอแต่พอเรามีมีปัญญามีการพัฒนาปัญญาขึ้นมาพอความรู้สึกตัวท่วพรอมเกิดขึ้นก็ปัญญาเขาเ้าไปรักษาจิตให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเราก็เลยพึ่งพาแสงสว่างได้เหมือนเราจุดเทียนผ่านไปใน ที่โล่งๆเนี่ยถ้ า, าเราไม่มีอะไรป้องไม่มีอะไรบังนะเทีย น, นก็ทำท่าจะดับหรือดับไปเลยแต่พอมีอะไรบังเทียนก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นตัวปกป้องเนี่ยจิตของเราเหมือนเทียนอันนั้นตัวคอยป้องกันไม่ให้จิตตัวนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนั้นดับไปก็คือตัวสติตัวปัญญาคอยปกป้องคุ้มครอง เพราะนั้นที่เราไม่สร้างตัวรู้สึกตัวนี่ก็คือสร้างเกาะกำบังให้จิตเดิมแท้คือความรู้สึกตัวของเราเนี่ยได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงนั่นเองโดยที่ไม่ให้ลมพัดลมก็คืออารมณ์อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์คิดวิตกกังวลอารมณ์อดีตอนาคตเข้ามาพัดอยู่ตลอดจิตของเราเดิมแท้ของเราเมื่อก็เลยถูกอดีตอนาคตพัดออกไป พอพัดไปไ ป, ไปอยู่ในอะไรไปอยู่ในความคิดใช่ไหมเป็นความคิดขึ้นมานันความรู้สึกตัวท่วพร้อมก็เลยไปกับอดีตอนาคตปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นกิเลสขึ้นมานะถ้าจิตเดิมแท้นั้นถ้าบอกเหมือ น, ส ว, อ น, อนสว่างเหมือนพระอาทิตย์นะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ไม่มีอะไรมาทำให้มันมืดได้มันสว่างตลอด24ิสีชั่วโมง ต่อเมื่อมันมีเมฆหมอกฝ้าอะไมาบางังก็แสงพระที่จะค่อยถูกบดบังไปเหมือนกันจิตของเราเดิมแท้สว่างอยู่ต่อเมื่อมีอเมฆหมอกแห่งอารมณ์แห่งความคิดปรุงแต่งเข้ามาบดบงังจิตตัวนั้นก็เลยเหมือนว่ามันมันบดบงังมันเศร้าหมองไปดังนั้นเองเราก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของชีตนะเราจะ ร่ํำรวยขนาดไหนเราจะมีชื่อเสียงขนาดไหนเราจะเก่งในวิชาการ ต, time, ต่างๆขนาดไหนเนี่ยถ้าหากว่าตัวนี้ไม่มั่นคงตัวนี้ไม่ตั้งมันนะ่นไม่มีความหมายเลยนะสิ่งเหล่านั้นวิชาการต่า ง, างๆกีฬาชนิดต่างๆที่เราฝึกมาอย่างช่ำชองเสร็จแล้วมันก็หันไปมันกลับมาทุกข์มือนเดิม น, นะแต่ถ้าเรามีตัวรู้สึกตัวนี้เนี่ยเราจะมีอะไรไม่มีอะไรเราจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราก็มีความสุขเราจะมีเงินเราก็มีความสุข เราจะยากจนก็ยังมีความสุขเราจะมีหลักฐานฐานะก็มีความสุขเราจะไม่มีหลักฐานฐานะอะไรก็มีความสุขเพราะจิตของเรามันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะดังนั้นเองวิชาการต่างๆฝึกจนชํานาญแล้วเนี่ยมันก็ยังทุก์อยู่เพราะมันลืมแต่วิชาการในการรู้สึกตัวเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งจดจํายิ่งตั้งมั่นยิ่งอบอุน่นนะ ไม่หลงลืมเพราะนั้นเราก็ฝึกตนเรื่องนี้ไว้ก่อนหมายความว่าเลือกฝึกเรื่องกา ร, ราำมาหากินหาเลี้ยงชีพก็ทำไปแต่ว่าอย่าลืมหลักตัวนี้หลักตัวนี้ต้องทาเป็นหลักแต่บางคนก็กลัวนะเวลาฝึกเรื่องนี้มากๆกลัวจะไม่สนุกกลัวจะไม่ไปไม่ทันเขานะไปทามาหากินอะไรไม่สนุกสนานอ้าวเป็นอย่างนั้นไป น, นั้นเข้าใจผิดเหมือนกับเราเดินทางเข้าป่าในเวลาค่นะํา คนหนึ่งมีไฟฉายอยู่ในมือคนหนึ่งไม่มีเนี่ยคนนั้นจะเดินทางปลอดภัยกว่ากันใช่ไหมคนที่มีไฟฉายแสงสว่างนี่ก็ปลอดภัยฝ่าแล้วอยู่ในโลกวัฏสงสารเนะี่ยเหมือนในโลกมืดนะอะไรมีมีแต่คนมือดอะใช่ไหมคนนั้นมืดด้วยความโลภคนนั้นมืดด้วยความโกรธคนนั้นมืดด้วยความหลงวันนั้นแขกแต่ละคนที่มาหาเราเนี่ยเคยมาพูดทำให้เราฟังนะนะถ้าไม่ใช่เพื่อนนักธรรมะด้วยกันยากนะ เขาก็จะชวนพูดเรื่องความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาดความไปอย่างนั้นแหละ น, นั้นมืดแ ล, แล้วเนีเราก็อคอยมืดกับเขาด้วยแต่พอเรามีสติแล้วก็ฟังเฉยใช่ไหมฟังฟังไปว่าอันนี้ชวนให้เกิดความโลภแล้วโออันนี้ชวนให้เกิดความโกรธแล้วอันนี้โชวนให้เกิดความหลงแล้วเราต้องระมัดระวังตัวเองไม่หลงเข้าไปในนั้นปล่อยให้เขามืดไปคนเดียว เ, เราอย่ามืดกับเขาเนี่ยเมราะว่าเรามีไฟฉายอยู่ในมือแล้วก็ส่งใจเราดู แล้วเขาปลอดภัยเรื่องนี้ก็จะเป็นเฉพาะคนที่มีความฉลาดเท่านั้นนะคนที่ไม่ฉลาดไม่สนใจรู้เรื่องนี้เขาก็ยังมึดต่อไปแล้วเขาบอกอเป็นเรื่องของคนวัดคนวาเรื่องของคนธรรมะธรรมโมไม่ใช่เรื่องของพวกเราไปไม่นีแยกกันความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตคนไหนที่ต้องการไม่ทุกข์อะทำเรื่องนี้ได้หนะลดอาจะเป็นคนศาสนาไหนชาติไหน อาชีพอะไรก็ตามถ้าต้องการอยู่ชีวิตแบบไม่ทุกข์นะคุณจะเป็นอะไรก็ได้มีลูกคัอบครัวมีครอบครัวมีอาชีพการทํามาหากินการงานก็ทําไปแต่ว่าทําแบบไม่ทุกข์นะก็ต้องมีวิชานี้วิชาป้องกันทุกข์นะจะเป็นอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญาฝึกฝนแบบนี้แล้วเราจะเห็นโลกอว่า โลกนี้มันเต็มไปได้วยเรื่องที่จะทำให้ทุกข์ทั้งนั้นมันก็เกิดการเบื่อหน่ายเหมือนกันนะผู้ไม่อยากจะไปยุ่งกับโลกละเพราะว่าไปยุ่งมันก็ทำให้เราดึงดูดเราให้ไปสู่แต่เรื่องอปัญหาด้เรื่องความทุกข์มันก็ไม่คุ้มกันล้วก็ค่อยห่างออกมาห่างออกมาห่างออกมาเราชอบอยู่คนเดียวชอบอิสระชอบสันโดษมากขึ้นเมื่อก่อนนี่อยู่คนเดียวไม่เป็นใช่หม เนี่ยแก็มีโทรศัพท์เป็นเพื่อนมีทีวีเป็นเพื่อนมีหนังสือเป็นเพื่อนโอ้ไม่พอก็ต้องไปหาผู้ชายมาเป็นเพื่อนหาผู้หญิงมาเป็นเพื่อนหาลูกมาเป็นเพื่อนหาล้านเป็นเพื่อนหาแม้กระทั่งหมาใช่ไหมหามาเป็นเพื่อนจนได้แล้วนี่คนไม่มีที่พึ่งจริงๆนะใช่ไหมแต่พอเรามีตัวนี้เป็นที่พึ่งเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละอมีแต่ที่จะแสวงหา ความสงบสันโดษมีความสุขอสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยบางทีหยุ่มต้อยอาจจะลื้อไอ้ที่กันน้ําตกนีิทิ้งโอ้ยุงเงียบดูกลัวเสียงน้ำได้รบกวนอย่างเลยในววันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ทุกวันนี้เราอาศัยเสียงน้ําเป็นเพื่อนไปที่พึ่งกันนะเนาะเป็นเพื่อนอย่างนั้นก็ได้ยินได้ไปชื่นใจชอบนะ เห็นมในความสงบสงัดพระุเจ้านัตถิสันติปรางสุขังเยอะความสงบเป็นยอดของความสุขนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาค่อยพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปมันก็จะรู้ไปเรื่อยนิดแต่ละวันเนี่ยมีแต่เฝ้าค้นหาค้นหาตัวเองลึกๆเราตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไจะค้นหาดูนะ แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเจริญสติเจริญปัญญาแบบนี้ไม่หยุดนะมันก็จะพบสิ่งที่ดีๆขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สงบสิ่งที่เป็นและเมื่ละไมประนีตขึ้นเรื่อยๆน่ะเป็นชีวิตที่ประเสริฐท่านใช้คําว่าอริยะผู้แสวงหาทางนี้นะเรียก อ, อริยะบุคคลนะถ้าเป็นชาวบ้านเรียก อ, อริยะบุคคลถ้านักบวชเขาเรียกเป็นพระอริยเจ้านะอริยะแปลว่าผู้ไกลจากค่าศึกใครคือข่าศึก ข, ของเรา อิแล้วัว่าคายึกใช่หอลิลาศัตรูอลิเ<ม>ติมยากเข้าไปแล้วแปลว่าผู้ไปไกลจากค่ายศึกค่ายศึกของเราคืออะไรกิเลสตัวไหนบ้างความโลภ แ, แต่แล้วเรารู้ว่าโลภุหลปคายศึกแต่ทาไมเราไปวิ่งหาใส่คายศึกน่มันมาเองหรือเราวิ่งหามันม เออดูให้ดีนะดูให้ดีนะเราบอกว่าเฮ้เราเราสําคัญสัตวจูเข้ามาเป็นมิตรเลยใช่ไหมอ่าเราก็วิ่งหาไม่มีแล้วก็วิ่งหาอ่าความความโกรธเนี่ยไม่มีใครวิ่งหาแหละแต่สิ่งที่ค่อนข้างกับความโกรธคืออะไรความรักเราวิ่งหาความรักใช่ไหมเพระวิ่งหาความรักแล้วความอะไรก็ตามมาความโกรธมันก็ตามมาอ่ามันมั น, มน ราวะทีมนมาด้วยกันนะแล้ววิ่งหาความสุขความทุกข์มันก็ตามมาแล้วิ่งหาความรวยความจนมันก็ตามมาแล้ววิ่งหาความหวังความผิดหวังมันก็ตามมาเนี่ยเราเราไม่รู้จักศัจธรรมของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่วิ่งหาอะไรเลยนะความรักเราไม่วิ่งหาความชังมันก็ไม่มาความชอบเราก็ไม่วิ่งหาความโกรธมันก็ไม่มาหรอกไม่มาเราเพราะฉะนั้นเราวิ่งหาในทางตรงกันข้ามแต่มันก็อีกทางเหมือนเงาตามกันน้ะ แล้ว ร, รู้ว่าความโลภโกดลงนะั้นเป็นศัตรูเป็นอริแต่เราก็วิ่งไปหาโลภโกรธลงในที่สุดเราก็วิ่งไปหาศัตรูทําให้เราต้องเป็นทุกข์ต้องเศร้าหมองแต่ว่าเราโทษตัวเองไหมเวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งหนึ่นโทษตัวเองไหมโทษคนอื่นนะคนนั้นะทําให้เราอกหักคนนั้นะทําให้เราขาดทุ น, นคนนั้นใช่ไเพราะแกทีเดียวนะทำใม้ฉันทุนเป็นหนี้อะไรนะว่าไปนู่นแต่แต่ไม่ได้โทษตัวเองที่รู้ไม่ทันเขาเนาะเห็นไหม เพระฉะนนเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาคนในโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่เราน่าไม่น่าจะเป็นเหมือนนั้นแบบเขาเนะาะหามุมหนึ่งหลังจากรู้เรื่องนี้ดีแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกอิสระและชุบอยู่ไหนก็ได้กินไหนก็ได้อืมันก็ไม่กลัวอะไรนละโลกนี้มันจะพลิกเปลี่ยนหมุนเวียนมันจะล่มสลายยังไงก็ไม่ไม่กลัวละมีความมั่นใจขนาดนั้นนะ แต่ทุกวันนี้เรา ว, วิตกกังวลว่าโลกจะเป็ น, ยงง น, นอย่างนั้นวิกิตการณ์อย่งนี้เรากลัวเพราะเรายังมีวิธีพึ่งแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้ว เ, เราไม่รู้สึกกลัวเป็นมันก็เป็นอ่าใช่ไหมเราก็เตรียมพร้อมเผชิญเท่านั้นเองนะเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆคนที่ตายก่อนไม่ใช่เราเพราะเราระวังตัวใช่ไหมเราก็ช่วยเขาเอะไรช่วยเขาพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่งไรบอกว่าเมื่อโลกนี้เกิดวิกฤตวิบัติ ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะมีคนเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือคนที่อยู่ในสามล่มโพสีนักนั้นก็จะไปตามกระแสของวิบัติโลกสามล่มโพสีได้แก่อะไรสามลมโพสามลมโพคือล่มแห่งศีลล่มแห่งสมาธิล่มแห่งปัญญานี่สามล่มโพสีคนไหนฝึกฝนเรื่องศีลสามาธิปัญญาอยู่เสมอคนนั้นก็จะรอดทําไมรอดอ่ะเพราะ ศีลธรรมี่ัญญาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งเวลาเราปรารถนาแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในซากกลโลกนะไมเพื่อมาปุกปักรักษาและอะไระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือศีลธรรมีปัญญานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี้เราสร้างเองได้ไหมเมื่อเราสร้างเองได้เราไปขอทําไมมีอยู่แล้วนะอันนี้เราไปขออ้อนวอนนใครจะมาช่วยเราเลยถ้าเราไม่ได้สร้างขึ้นมานะดังนั้น ถ้าหากว่าเรามีศีลสมณีปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนะี้จะมารวมตัวนั้นหมดเลยจะมาปกป้องคุ้มครองเรานะมาเองนี่รอดตายมาหลายครั้งนะอุบัติเหตุแต่ละครั้งมันหมายถึงตายทั้งนั้นแหละแต่มันก็รอดมาปฏิหารนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปบวชเนนภาคดดร้อนที่จังหวัดราชบุรีทีนี้พอสิ้นโครงการเดินเมษาแล้วเดินยุทธสภาไปเดินเมษาก็กลับ ทีนี้พอตอนกลับจากบ้านปงลำบุรีเข้ากรุงเทพนะเราก็นั่งรถเข้าเก้าเนาะเขาวิ่งเต็มที่เลยนะจากบ้านปงลำบุรีเข้ากรุงเทพมันก็รีบทําเวลาที่มาถึงแถวนครปฐมเนี่ยถนนมันผ่านกลางพุ่งมันยกถนนสูงใช่ไหมันก็มันก็รีบเหยียบวิ่งแซงดิแซงรถสิบล้อพอแซงไปได้ครึ่งทางอีกอีกสิบร้อยอีกคันหนึ่งสวนมา <c oughs> <c oughs> เป็นไงเอามาก็นั่งอยู่หลังคนขับนะ เอามาก็ดูว่าคนขับจะทำไงมันหักพงอะไรลงถนนเฉยเลยวิ่งเต็มที่มันแสงไม่พ้นเนะพอหักลงพลิกไปโอ้โหเอามาก็วูบไปเลยนะวูบไปตื่นอีกทีรถจอยสนิทหน้ากระจรถแตกเอามาก็ค ว, ว้าบาดเ็ากดทิศวางอยู่บนชั้นออกหน้าไปขึ้นรถคันใหม่เลย <laughs> <laughs> ตอนเช้ามาอ่านชื่อพิมพ์งานนี่ตายไปสามสิบสี่ศอืม ฮะ น, นั้นนะแต่ไอเรารอดปฏิหารยังไงก็ไม่รู้นะหิ้วกลดหิ้วัดไปต่อรถข้หน้าเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> แต่มาถึงวัดนี่มันรู้สึกหน้าขาเนี่ยเจ็บหน่อยเพราะว่ามันมันขัดกอที่ไอที่นั่งนะะข้างหน้าเนี่ยโอ้หลายครั้งเจอแบบนี้นะแต่ละครั้งมันเหมือนมันไม่รอดแต่มันรอดมาได้เพราะเราเจริญสตินี่เเพราะฉะนั้นถ้าได้เจริญสติอยู่เป็นเป็นประจําแล้วไม่ต้องกลัวภัยพิบัตนนะิอะไรทั้งนั้น มันจะมีอันรอดของมันเองมันจะมีอันช่วยของมันเองดังนะนั้นเองยิ่งเราเป็นผู้หญิงอ่ะภัยยิ่งเยอะใช่ไหมภัยปัจจุบันภัยของโยมผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องนี้ให้ดีไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกนี่แหละจะช่วยเรานะแล้วก็ใ น, นเมื่อฝึกสิ่งนี้แล้วก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อเป็นเทวดาอินพร่มเดี๋ยวมาช่วยเราหมด แต่ถ้าเราไม่มีคุณของศีลสมถิปัญญาใครจะมาช่วยเร า, าใช่อย่าวาแต่คนเลยอย่าวาแต่พระอิน์พระพรหมไม่แต่คนมันยังไม่ช่วยนะแต่ถ้ามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยดังนั้นเรามั่นใจนะมั่นใจว่าเราจะทำอะไรมั่นใจในในตัวนี้นี่อา น, นิสงส์ของมันนะแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนอะไรอยู่กับใครอะไรเนี่ยมันมีแต่ความสุขมีความสบายนะมีความปลอดโปร่ง ดังนั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอานิสง์ในธรรมที่เราปฏิบัติตามธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นพรนะพระพุทธเจ้าท่านให้พรไว้เวลาเราสวดสุปฏิปโนสวดทุกวันนะใครก็ตามเป็นสุปฏิปโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงต่อตัวเองยายะปฏิปโนปฏิบัติเพื่อรู้ จักวิธีแก้ปัญหาของตนเองอยู่เสมอสามีจิตปฏิปโนปฏิบัติให้เหมาะสมอ่าคือหมายความว่ารู้จักอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะรู้จักนะสถานที่ควรจะทําไงกับคนนี้ควรจะทําไงรู้จักคนไม่ควรเป็นตัวของปัญญาถ้าใครก็ตามปฏิบัติครบเรื่องสอย่างนี้จะได้พรห้าอย่างเอสาขขวัตโตสาวะกะสังโฆอาหุน ayo จะไปที่ไหนเขาก็อาหุนโยเขาต้อนรับขับสู้ป้าหุนโยเขาก็จะเลี้ยงดูปูเสือทักคินาโยเป็นผู้คนรับในสิ่งที่ดีๆอัญชลิกะลานาโยเป็นผู้ควรแก่การกราบกาันไหว้ไปที่ไหนเขากลับแล้วก็บุญยักเขตต่ังโลกาสะเราเป็นเนื้อหน้าบุญใครมาทําบุญด้วยก็เกิดบุญมากขึ้นอันนี้คระพร น, นะ น, นั้นเวลาเรา เราจรึงชอบไปทำบุญกับพระปฏิบัติที่นู้นที่นี่เพราะท่าเป็นเนื้อนาบุญเพราะเป็นพรที่พุทธเจ้าให้มาปฏิบัติสี่ยอย่างแต่ได้พรห้าอย่างอะไรบ้างอาหุนโยปาหุนโยทักขินยโยอัญเชลิกะลานยโยอนุตตรังปุญญคิตดังโลกะสนี่คือพอรห้าอย่างะแต่ว่าสี่อย่างนี้ต้องทําให้ได้นะทำสี่อย่างสุปฏิปันโนอูชิปุชูปฏิปันโนยายาปฏิสามีจีปฏิปันโน เสียราวสวดทุกวันนะแต่เราก็ตีบทไม่แตกใช่ไหมฉะนั้นหมายความว่าไงแล้วก็สวดเป็นนกแง้ยวนกคุณทองอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามาตีบทให้แตกเราอูหน้าทํามากเลยใช่ไหมนั้ น, น, นก็ในส่วนนี้แหละเราต้องเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจา้า <c oughs> มีอะไรดีๆเยอะๆแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เข้าไปพิจารณาใครควรดังนั้นเวลาหนังสือเวลาสวดบทสวดเนี่ยมาพยายามแปลทุกบททุกตอนตรงไหนที่เราสวด น, นะ แต่ส่วนไหนใครจะเข้าใจอย่างไรแล้วแต่สติปัญญาพื้นฐานงแต่ละคนะซึ่งจุดนี้แหละจะทำให้เรามีความมั่นใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นโอ้ปฏิบัติแค่นี้มันได้ขนาดนี้ถ้าปฏิบัติมากคนนี้จะเป็นจะมีอันนี้สูงมากขนาดไหนจะเพิ่มการปฏิบัติโอ้รู้ตัวขนาดนี้แลใจยังสบายกันรู้ตัวมากกว่านี้มันจะต้องสบายกว่า น, นี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหถ้าสมมติว่าทาอันนี้เป็นแล้วเนี่ย มันยิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านใช่ไหมเงิแสนเงินล้านแล้วก็ยังเรามีเงินแล้วก็วิตกกังวลวเอ๊ะใครจะมาหยิบมายืมใครจะมาพ้นใครมาขอมายืมอะไรเราชักคนนั้นขอยืมคนนี้เขารั่วเรามีเงินในชักไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาเรามีสติสัญญาฝึกว่าเนี่ยจะมีคนกลัวคนจะมาขอไหมไม่กลัวอยากจะให้ด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาไม่ให้ก็ตามให้เขาอะนะเอาสีดีนั่นพาก็ทําอยู่แบ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งแบ่งยิ่งงอกอะ ใช่ไหมัภายในเนี่ยแต่ซับภายนอกยิ่งแบ่งไปไงยิ่ ง, ง, งหมดซ <laughs> ับภายในยิ่ ง, งแบ่งก็ยิ่งขยายยิ่งยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆรื่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราผู้ทีเจ้าท่านบอกว่าให้หาทรัพย์ภายในเสมือนกับเราเอาหม้อดินไปแลกเอาหม้อทองคํา เพรมอดินมันแตก ง, ง่ายสลายง่ายใช่มอทองคำมันไม่แตก ง, ง่ายมีค่าด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์คือตัวศีสมถียปัญญาเนี่เป็นอริยทรัพย์ตัวเงินทองของข้าวปัจจัยสีเป็นโภกทรัพย์ภกทรัพย์ก็มีก็ไม่ไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่าลืมอริยทรัพย์ด้วยเพราะตัวอริยทรัพย์ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้โภกทรัพย์อยู่ได้นานไม่สิ้นเปลืองได้ง่ายพอเรามีอริยทรัพย์แล้วรู้จักปัญญารู้จักอยู่จะกินไม่สลุยสุลล่ไม่สิสส้นเปลือง เรามีนิ่นิดหน่อยแล้วก็อยู่ได้สบายแต่ถ้าเราไม่มีอริยทรัพย์เลยหูได้มาพระหลาแฉกมก็ไม่ค่อยเหลือใช่ไหมอ่ามันหมดไปหายไปบางคนมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านนูนก็ไม่ค่อยเหลือหมดแต่บางคนพอมีอริยทรัพย์เรามีเล็กเลกนิหน่อยยิ่งพระเรายิ่งไม่ต้องเอาเนี่ยก็ยิ่งมีนะพอมีอริยทรัพย์ดังนั้นก็จึงอยากจะให้เห็นว่านี่คืออนิสงส์ที่เราปฏิบัติสัมผัสอะไรได้เยอะแต่ขอให้เราได้ ทำด้วยความจริงใจอย่าเตีไยไปมีเงื่อนไขนะว่าปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้ได้อย่างนี้ปฏิบัติไม่ให้ได้อย่างนี้อันนี้มีเงื่อนไขนี่บุญของเราไม่ค่อยบริสุทธิ์หรอกปฏิบัติแบบไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าทําเพื่อบูชาผู้ริเจ้าทําเพื่อให้เกิดคุณศีล ส, สธิ่ัญญากเกิดขึ้นในตัวเองแล้วทุกอย่างที่มันเป็นผลเป็นไปเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยะปลูกต้นมะม่วงนะเราก็ไม่ต้องไป ว่าธนาว่าเออมอะม่วงเจ้าจงให้เท่านี้ลูกนะปีนี้ต้องออกเท่านี้ลูกนะปีหน้าต้องออกเท่านี้ลูกนะถ้า ง, งั้นฉันไม่ลดน้ําแก่นะถ้า ง, งั้นฉันไม่ให้ปุ๋ยแก <c oughs> เออมะม่วงมันจะยอมไหมไม่หรอกมันก็เราลดน้ําเราก็ได้ไม่ลดมันก็ไม่ออกเท่านั้นแหละ <c oughs> เออไม่ต้องไปสั่งเขาว่าเพียงแต่ลดน้ําใส่ปุ๋ยพ่ดินมีหน้าที่แค่นั้นเดี๋ยวเขาก็เกิดเป็นดอกเป็นผลข้อเองขึ้นมาโดยที่เราไม่ไสั่งเขาหรอก ถ้าเราทําถูกเหตุแล้วผลไม่ต้องไปสั่งเกิดเองแต่ถ้าเราทําไม่ถูกเหตุนะไม่ลดน้าไม่ใส่ปุ๋ยไม่พ่ ด, ดินไปปรารถนาว่าให้ปีนี้ต้องเป็นร้อยลูกนะมันก็ไม่ออกให้ดอกนะแต่ถ้าลดน้าใส่ปุ๋ยพ่ ด, ดินอย่างดีปีนี้บอกว่าอย่าออกสักลูกเลยนะเราห้ามเขได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาเขาก็จะออกมาเนี่ยจะเห็นวนะ่าอันนี้คือกฎของธรรมชาตินะมันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรนะมันไม่ใช่กฎอะไรมหศจักรย์เป็นกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเอง แต่ขอให้เราทำให้ถูกแลาทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความตั้งใจแล้วแต่คนทุกวันเนี่ยเราไปติดวัตถุเชื้อเป็นนิสัยจะทําอะไรนิดอะไรหน่อยเรื่องนั้นก็ไปตั้งตาหวังผลมีเงื่อนไขก็ทำให้เราไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรเพราะมีเงื่อนไขนะทำความดีแบบมีเงื่อนไขเห็นว่าแต่เราทำความดีเพื่อตัวเองอ ผลรูปสิงทุกทอย่างมันเป็นไปเองถ้ามันถึงเวลาแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขเยอะแยะนี่บางทีมันไม่เกิดเลยนะยสิ่งที่เราต้องการนะดังนั้นก็พยายามทําให้ถูกเหตุพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่างนั้นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุเพราะฉะนั้นทําเหตุให้มันดีทุกอย่างดีเองแต่ทําเหตุมันไม่ดีทุกอย่างมันก็ดีไม่ได้นะอันนี้คือหลักที่พระองค์สอนใ น, นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราคนสุสดท้ายภายหลัง ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติเรื่องนี้นะมันวิเศษขนาดไหนแล้วใช่ไหมคนจำนวนร้อยจำนวนพัน 100, จำนวนหมื่นจานวนแสนไม่มีโอกาสอย่างเราแต่เรามีโอกาสเพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้พบกันง่ายๆนะอืไม่พบกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบกันแล้วต้องเอาสิ่งเอาของดีให้แก่กันเราก็ตั้งใจเอาพรนะเราก็ตั้งใจให้พร ะ, ะพที่เรามากันนี่ต่างคนต่างชอบในด้านนี้ท่านชอบการปฏิบัติ แล้วก็ทําเป็นชีวิตจิตใจแล้วในที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตัวเราเองแล้วก็คนอื่นก็ได้รับด้วยอย่านงะต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผลอย่างเดียวนะในช่วงที่มันไม่ออกผลเราก็ได้ร่มมันให้ดอกมันได้ใบมันหรเธอได้รากได้เปลือกได้ใบไปทํำยาได้ด้วยดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องตาย แต่ร้อยปีนี่จะทุกทั้งร้อยปีใช่หรอโอ้มันขัดทุนนะใช่ไหมไอ้ที่ทุกข์มามันก็เยอะอยู่แล้วต่อไปนี้จากนี้ไปชีวิตไม่ควรจะเป็นทุกข์แต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ทางกายแต่ยังให้ใจเป็นทุกข์ถ้าจะทุกข์นะทุกข์ทางกายทางเดียวแต่ถ้าทุกข์ทั้งสองทางเป็นไงขัดทุนนะใช่ไหมแต่คนเฉยๆเป็นไงทุกข์ทุกทั้งสองทางร่างกายของเรานี่มันหาสุขไม่ได้เลยนะแต่ละวันนะใช่ไหม เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้โอ้บํบำบัดมันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนอะ่ะมันหาเรื่องที่จะให้เราแก้ไขมันตลอดเวลาทุกทางกายเนี่ยแล้วนะก็ช่วยเนะไม่ได้ก็บำบัดเท่าที่จะมาได้แต่อย่าให้ทุกทางใจอีกทางหนึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนมีจิตที่ไม่ได้อบรมเนี่ยเมื่อถูกลูกสอน ก็เป็นลูกศรอาบยาพิษทั้งสองทางถูกยิ่งถูกกายถูกใจด้วยแต่คนที่ได้ฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจแล้วถูกลูกศรทางเดียวคือถูกแต่กายคือหมายความว่ากายนี่มันก็ต้องเจ็บต้องป่วยตามเรื่องของมันตลอดแต่ว่าด้านจิตใจไม่ทุกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจว่าอย่าให้มันทุกทางใจเลยทุกแต่ทางกายก็มากพอแล้วใจเราก็ต้องหาวิธีแก้อย่างเนี้ยจาเจิตหรือสตินะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราโชคดีที่ได้ฟังการแก่อารมณจากหลวงพทเทียนซึ่งวิดีโอชุดนี้ถ่ายไป2 0 3 0ปีแล้วนะก็ดีเรายังเก็บไว้ต่อมาไ ม, ไม่ได้โอกาสได้ศึกษาได้ง่ายๆนะเราก็พยายามสืบทอดสิ่งที่ดีเอาไวา้แล้วคนโมทนาสาธุ